พระองค์ก็เห็นต้นทองหลางดุจต้นปาริฉัตรนะปาริฉัตรตะในสวรรค์ซึ่งมีคาคบสะพรั่งไปด้วยดอกสล้างไปด้วยใบใกล้พระทวารแห่งพระราชยุทธญานก็คือไอ้ต้นต้นปาริฉัตรตะกาหรือต้นต้นเนี้ยนะต้นทองหลางเนี้ยบางต้นนี่สวยจริงๆเลยนะอย่างบางวัดที่เขาปลูกบางบางบางวัดเนี้ยมันมันเป็นต้นไม้ที่มีสีสันพอสมควรนะมีลวดลายซึ่งก็นัว่าเป็นต้นไม้ที่งามน่าดูเลยแหละ พระองค์ก็เด็ดเอาดอกหนึ่งดอกกะดอกมันสวยเนี่ยก็เด็ดเอาดอกหนึ่งดอกมาเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าไปสู่พระอุทยานจากนั้นอมตะแม้คนหนึ่งก็คิดว่าพระราชาทรงเด็ดเอาดอกงามตัวเองก็ขึ้นไปบนคอช้างนั่นแหลวก็เด็ดเอาดอกหนึ่งนะก็ไออมตคนที่หนึ่งยังเด็ดได้คนหลังก็ช่วยกันเด็ดบ้างนละดอกสองดอกนละดอกสองดอกเด็ดเอาผู้ไม่ได้ดอกก็เอาใบเพราะใบก็ยังดูสวยฉะนั้นก็เอาใบไป จากนั้นกลายเป็นต้นไม้ที่เหลือแต่ลำต้นใบก็ไม่จะว่าดอกเลยขนาดใบยังไม่เหลือเพราะเขาเด็ดเอาไปคนละใบสองใบเอาไปเกลี้ยงเลยนะเพราะพระราชาเด็ดเอาไปดอกเดียวนืว่องาพระองค์อนุ ญ, ญาตให้คนอื่นเอาไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ต้นไม้ต้นโกรนเลคัน น, ะะนี้ตกมาเวลาเย็นพระราชาก็เสด็จออกจากพระราชชุดยานเห็นต้นไม้ต้นนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าต้นไม้นี้ใครหนอกระทำ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 ถ้าใคาเรียกว่าอะไรนะถ้าไปบวชตอนทรยบเสียหายก็ได้ว่าไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเสียหายเราก็บวชซะก่อนก็เลยสละราชสมบัติออกผนวดเจริญวิปัสสนาอยู่กระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานนะนะกว่าเห็นต้นไม้เขาเด็ดดอกแค่นั้นแหละก็บรรลุแล้วเนี่ยนะคนมีบุญก็อย่างนี้เลยนะถ้าคนอื่นเนี่ยบอกโอ้ยเนี่ยทำยังไงดี ปลูกต้นไม่ปลูกให้มันเยอะๆอย่างงนะคนจะได้ชื่นชม น, นนะก็วิธีคิดแต่ว่าพระพเจ้าพุทธเจ้าก็มีวิธีคิดที่จะออกจากวัตฏะโดยส่วนเดียวเพราะว่าธรรมะเป็นเครื่องบ่งมมีมุท่านแก่กล้าแล้วเพราะนเห็นสังเวกวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็พร้อมที่จะตรัสรู้อริยสัจเป็นพระปพเจ้าพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแป่งคาถาว่าบุคคลละเพศแห่งครือขัดดดต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นแล้ว นุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรปชิตเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรศเช่นั้นนะคำว่านุ่งผ้ากาสายพัดก็คือธงชัยของพระหันก็คือบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระประเจกขพุทธเจ้านะนะก็บอกว่าออกบวชก็คืออะไรก็คือพระประเจกสามพุทธเจ้านั้นตัดกังวลในครารวารทั้งหมดตัดความกังวลในบุตรภรยาตัดความกังวลในญาติ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 สรุปว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านําลงแล้วซึ่งเครื่องไมายแห่งครื่อหัดก็เรียกว่าตัดเครื่องหมาแห่งครื่อหัดทิ้งทั้งหมดครองผ้าย้อมน้ําฝาดออกบวชเหมือนต้นทองหลังที่มีใบทึบเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนแรดเนี่ยนะจบวัดที่สามเนี่ยนะมาขึ้นวัดที่สี่ว่าคถาที่สามสบอ็ดได้ยินว่าพระเจ้าพาราณสีพระองค์หนึ่งทรงแวดล้อมด้วยบุตรอัมมาศ ทั้งหลายในพระราชุยานก็ทรงเล่นกีฬาในสระบกกรณีที่มีแผ่นศิลาวิเศษเนี่ยนะวิเศษก็คือพ่อพ่อครัวเนี่ยก็เอารถแห่งเนื้อทั้งปวงมาปรุงพระกระยาหารในระหว่างซึ่งปรุงเป็นอย่างดียิ่งดุดอมริตถ้าว่างั้นก็เรียกว่าพ่อครัวนี้ก็เอาเนื้อนะมาทำอาหารอย่างอรอร่อยมากเหมือนกับ น, น้ําอมตะเลยทงั้น น้อมเข้าถวายแด่พระองค์พระราชานั้นถึงความติดในพระกยาหารนั้นไม่ทรงประทานอะไรให้แกใครๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกลูกไอ้พวกลูกหลานที่มาเที่ยวมาเล่นด้วยมันต้องกินกันละพระองค์ก็เสวยแต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เล่นในน้ําเสร็จออกในเวลามืดก็รีบไปเสวยอีกเนี่ยนะก็เล่นจนเหนื่อยเนยเสร็จก็ไปเสวยอีกก็ไม่นึกถึงบริวารอะไรเลยนะพวกลูกอัมมาพวกอะไรทั้งหลายแหละไม่สนใจทั้งนั้นแหละพระองค์ก็เสวย มาแต่การก่อนนี่พอสเสวย อ, อิ่มเต็มที่แล้วนะนึกได้กอนึกได้โอ้เรานี้ทําบาปที่ถูกเนี่ยนะ เ, เราเนี่ยถูกความอยากในรถครอบงำลืมนึก ถ, ถึงชนทั้งปวงลืมบริวารไปหมดเลยกินแต่ผู้เดียวเอาเถิดเราจะข่มความอยากในรถขณะว่ากินด้วยความาเด็ดอร่อยลืมแบ่งให้คนอื่นเท่านั้นก็สังเวชแล้ว นะั่นโอ้ยทำทำงี้ได้ยังไงเนี่ยนะขนาดดูซิต่ปัญหาของเรามันเล่นงานเราถึงขนาดว่าของเราไม่ยอมแบ่งให้ใครกินเดี่คนเดียวกินเสร็จแล้วก็เก็บไปเล่นเล่นเสร็จก็กลับมากินต่อกินแล้วนี่ไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยเนี่ยนะนะสังเวชใจมากที่ตัดัญหาตัวนี้ฉุดคร่าไปแล้วเหมือนกันก็เลยสละราชสมบัติผนวดเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งตัดเจกะโพธิยามติเตียนการปฏิบัติในครั้งก่อนของพระองค์ก็เลยแสดงถึงข้อปฏิบัติอันเป็นปฏิบัติ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 ไม่เลี้ยงคนอื่นก็คือไม่เลี้ยงตัวเองในชาติต่อไปวงนั้น <ấp cia. S 1> ตัดพบตัดชาติต่อไปใช่ไหมไม่เลี้ยงคนอื่นเพราะอัตาภาพอื่นมีตันหาเป็นมูลฉะนั้นไม่เลี้ยงตัวเองในพบชาติต่อไปก็คือตัดตันหาตัดความเยื่อใยในบัดนี้ซะวังนั้นมันจะได้ไม่มีมูลแห่งปฏิสนธิในพบใหม่ไม่ต้องไปหาเลี้ยงในชาติต่อๆไปอีกไม่งั้นนี่โอ้ยเลี้ยงแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาตินี่นะ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 ได้ไม่อร่อยแล้วก็แสแวงหารสอร่อยได้รถเย็นก็แสแวงหาร้อนได้ร้อนก็ต้องการเย็นมา ง, งั้นอยากได้เย็นก็ได้ร้อนเป็นต้นเน่นนะเรียกว่าพอได้น้าร้อนก็ไปอยากได้น้ําเย็นพอได้น้ำเย็นเข้าไปอยากได้น้ำร้อนอีกแล้วเนก็สลับกันอยู่นั่นแหละไม่ยินดีด้วยรถนั้นๆสแสวงหารถอื่นไปเรื่อยเป็นผู้ยินดีติดใจชอบใจลหลงไหลศบสาวเกี่ยวข้องพัวพันธุ์ในรถทั้งหลายนะขี้แต่เรื่องรถนั่นแหละรสสารถที่ปลายลิ้นนะนะ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 เปรียบเหมือนคนทาแผลเพื่อประโยชน์ให้เนื้องอกเป็นกำหนดเท่านั้นเรียกว่าท า, ายาาทาแผลก็เพื่ออะไรก็วันหลังแผลจะได้สนิทใช่ไหมหรือพวกเกียนหยดพวเพลาเกียนถามว่าวอยะ หยอดเพลาวกวียนเอานะ้มันหยอดเพลาวกวียนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่การขนพารักออกเป็นกำหนดเท่านั้นหรือคนที่กินเนื้อบุรเพื่อประโยชน์แก่การออกจากทางกันดาลเป็นกำหนดเท่านั้นฉันใด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 จักกาจัดทุกขเวทนาเก่าและไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นอัตภาพจะได้เป็นไปได้โดยสะดวกความไม่มีโทษความผาสุกด้วยการฉันอาหารเป็นประมาณเท่านั้นพ ร, ระสัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้งดเวน้นเวน้นขาดออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยตัณหาในรถเรียกว่าตัดฉันธราคะตัดตัณหาในรถเนี่ยนะมีจิตทาให้ปราศจากเขตแดนอยู่ เน่ก็ถ้ารวมความสูงสุดก็คือโน่นแหละเจริญพิอาหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็พิจารณาว่ากายนี้เกิดเพราะอาหารเกิดกายนี้ดับก็เพราะอาหารดับพิจารณาความเกิดและความดับตัดฉันทราคะในกายได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้คําว่าไม่มีตันหาเป็นเหตุให้เหลวไหลความว่าตันหาราคะสราคะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าตันหาที่เป็นเหตุให้เหลวไหล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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่เลี้ยงผู้อื่นเที่ยวไปตามลำดับตรอกก็คือเวลาเช้าพระประเจกสมพุทธเจ้านั้นนุ่งสบงถือบาทและจีวรเข้าไปสู่บ้านนิคมเพื่อบินธบาตมีกายวาจาจิตอันรักษาแล้วมีสติตั้งมั่นมีอินทร์อันสำรวมแล้วสำรวมจากสุถึงพร้อมด้วยอิริยาบถออกจากสกุลหนึ่งไปสู่สกุลหนึ่งเพื่อบิธบาตจึงเรียกว่าไม่เลี้ยงผู้อื่นแต่ก็เที่ยวบิธบาต คำว่ามีจิตไม่พัวพันในสกุลก็คือไม่มีจิตไม่พัวพันในสกุลด้วยเหตุสองนะคือคนที่จิตพัวพันในตระกูปเนี่ยพัวพันด้วยเหตุสองหนึ่งเรียกว่าตั้งตนเอาไว้ต่ําตั้งคนอื่นไว้สูงแล้วก็มีใจพัวพันกันอย่างที่สองก็คือตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ําแล้วก็พัวพันกันเนี่ยนะก็แล้วแต่นะคิดว่าเขาสูงเลยแล้วหรือจะคิดว่าเราสูงไป กลมแรกบอกว่าภิกษุตั้งตนไว้ต่ำตั้งผู้อื่นไว้สูงแล้วมีจิตพัวพันธเป็นอย่างไรกล่าวว่าภิกษุภิกษุท่านกล่าวว่าคือภิกษุนั่นก็มาพูดว่าท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแกอาตมาอาตมาได้จีวรบิณฑบาเสนาสนาักนะิีฬาณปัจจัยเพศักบริคารทั้งหลายก็เพราะอาศัยท่านเหมืนกัน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 เป็นเป็นอะไรเป็นกุลุปประกาของอุบาสกโนอนอุบาสกแปลว่าเป็นโยมของตระกูลโน้นไปเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยเป็นกุลุปประกาเป็นพระประจําสกุลโน้นไปแล้วอุบาสิกานั้นไปแล้วพิกสุเป็นผู้ตั้งตนเอาไว้ต่ําตั้งคนอื่นเอาไว้สูงอย่างนี้แล้วก็มีจิตพัวพันคล้ายกับว่าขาดเขาแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขานั่นแหละว่าไงอันนี้เราว่ามีจิตวางไว้กับตระกูลส่วนอีก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 ท่านเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการพูดเทสดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแปลว่ารักษาศีลห้าได้ก็เพาะอาตมานี่แหละสอนนนอาตมาให้อุเทศให้อุเทศให้หัวข้อให้ปริปุจชาบอกอุโบสถอธิษฐานนวะกรรมแก่ท่านทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นคือไอที่พูดทั้งหมดเนี่ยประโยคที่ต้องการจริงๆอยู่ที่ว่าท่านทั้งหลาย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 จึงเชื่อว่ามีจิตไม่พัวพันในสกุลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะสรุปว่าพระปเจกพุทธเจ้านั้นไม่ทําความติดใจในรถทั้งหลายไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้เหลวไหลไม่เลี้ยงผู้อื่นเที่ยวไปตามลําดับตรอกมีจิตไม่พัวพันในสกุลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรดเนี่ยนะ